ก็มีชาวต่างชาติก็มาฟังเทศฟังธรรมแต่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็เลยต้องบอกให้นั่งรอไปก่อนเอาช่วงแรกจะพูดเป็นภาษาไทยถ้าพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวคนไทยหนีหมดเลยรอให้พูดช่วงแรกไปก่อน แล้วถ้าอยากจะถามอะไรเป็นภาษาอังกฤษก็ไว้ถามช่วงที่สองช่วงตั้งแต่สามโมงไปแล้วเดีย๋ยวนี้ก็คนต่างชาติมีความสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันเป็นจำนวนมากมีให้ความสนใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับการ ภาวนาการปฏิบัติทำเพราะส่วนใหญ่ชาวต่างชาติเขาเข้าถึงพระพุทธศาสนาผ่านทางหนังสือธรรมะต่างๆหนังสือธรรมะนีนส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการปฏิบัติจะพูดถึงแก่นต่างกับคนไทย คนเราคนไทยเข้าถึงธรรมะด้วยด้วยการผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิธีกรรมต่างๆพิธีทำบุญทำทานก็เลยอยู่กันคนะระดับต่างชาติเขาไม่ค่อยทำบุญทำทานเพราะเขาไม่ได้มีขนบธรรมเนียมประเพณี หล่อหลอมจิตใจเขาคนไทยเราจะทำบุญกันเป็นเป็นหลักทุกคนเข้าวัดนี่รู้ว่าเข้าวัดแล้วต้องเข้ามาทำบุญแต่ต่างชาติเขาเข้ามาวัดเขาเข้ามาเพื่อปฏิบัติมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศีล การทำบุญทำทานเขาไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะเขาไปไปเรียนไปศึกษาเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนี่สำคัญกว่าการรักษาศีลนี่สำคัญกว่าการทำบุญให้ทานเขาก็เลยไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานกัน ก็ถ้าการไปเผยแผ่าศาสนาในต่างประเทศเนี่ยท่วนใหญ่คนที่ไปสนับสนุนวัดไปไปทำบุญทำทานก็จะเป็นชาวชาวไทยหรือชาวลาวที่อบพยกไปอยู่ต่างประเทศ ถ้าไม่มีชาวไทยชาวลาวไปอยู่ต่างประเทศนี้ถ้าให้ฝรั่งไปสนับสนุนวัดก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากที่นั่นเขาจะจ่ายก็ต่อเมื่อต้องเก็บเงินเช่นบางแห่งเขาก็เลยต้องทำเป็นเหมือนกับโรงแรมเป็นเหมือนสถานที่บำบัดจิตใจ แล้วก็มีค่าบริการเก็บเงินเพราะว่าถ้าเขาไม่เก็บเงินก็อยู่ไม่ได้มีค่าลงทุนก่อสร้างสถานที่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆถ้าทําแบบเป็นวัดพวกฝรั่งเขาก็จะไปใช้บริการแต่เขาจะไม่ เขาจะไม่สน <di ับสนุนค่าใช้จ่ายเพราะเขาคิดว่าเป็นเป็นการทำทานเขาเป็นผู้มารับทานเขาเป็นผู้มาขอทานเขาไม่ได้มาทาทานเขามาปฏิบัติธรรมเขามาเป็นเหมือนเป็นพระก็เลยถ้าไม่มีชาวไทยไปอยู่ต่างประเทศวัดวาต่างๆนี่ คิดว่าเกิดขึ้นมายากเกิดก็จะไม่ค่อยที่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าเท่าไหร่ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. พวกที่เขามาสนใจทางศาสนาพุทธก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นคนมีฐานะอะไร mm hmm. พวกที่มีฐานะนี่เขามีศาสนาของเขาอยู่แล้ว เขามีศาสนาคริสตออ์หรือถ้าเขาไม่มีศาสนาเขาก็จะเน้นไปในทางทำบุญทาทานเกี่ยวกับทางการศึกษา เ, ออเขาจะให้เงินลงมหาลัยเป็นเป็นเงินทุนไว้สาหรับออสนับสนุนการศึกษาเห็นถ้าเป็นเป็นวัดนี่ก็จะ ไม่มีฝรั่งที่จะเข้ามาสนับสนุนมีแต่คนไทยหรือคนลาวคนเอเชียที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วมีความผูกพันกับวัดถูกสอนมาให้ทำบุญกับวัดก็จะเป็นผู้ที่ไปสนับสนุนวัดที่ต่างประเทศกัน พวกที่มาพักอยู่ที่นี่บางทีก็ต้องบอกเขาว่าที่นี่เราเน้นเราสอนทั้งสามระดับสอนการทําทานสอนการรักษาศีลสอนการภาวนาเพราะมันเป็นการปฏิบัติที่ครบถ้วนบริบูรณ์จะเอาภาวนาอย่างเดียวโดยที่ไม่ทําบุญทําทานมันก็อาจจะ เป็นการาสนับสนุนกิเลสคือความตนหีได้ก็ออะไรบางทีเวลาใครก็มาขอพักก็ต้องให้พระอธิบายเขาฟังว่ า, าที่นี่มีทั้งการภาวนามีการรักษาศีลแล้วก็มีการทำบุญทำทานมีการบอยจาคถ้าไม่บอกนี่เขาก็จะไม่ ไม่มีการทำบุญทาทานไม่มีบอยจกักอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกระหว่างคนไทยกับต่างชาติคนไทยชอบทำบุญทาทานแต่ไม่ค่อยชอบรักษาศีลไม่ค่อยชอบปฏิบัติธรรมต่างชาตินี้ชอบรักษาศีลปฏิบัติธรรมแต่ไม่ชอบทำบุญทาทาน Ừ, ก็แต่ก็ไม่ได้หมาถึงทุกๆุกคนนะต่างชาติบางคนเขาก็เขาก็มีมีทำบุญทำทานบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ทำบุญทำทานกันมาอยู่เสร็จก็ไป ừ, ไม่ได้สนใจว่าที่เขามีที่ขึ้นมาได้นี้มีมาได้อย่างไร เหมือนกับพระพุทธเจ้าเสกมันขึ้นมาเสกวัดวาอารามขึ้นมากล้าใช้จ่ายก็ฟรีอะไรทุกอย่างพอเราไปพูดอย่างนี้เขากลับไปหาว่าเราโลภอยากได้เงินเขาอีกพูดไม่ได้อโอ้แปลกแต่ถ้าไม่พูดเขาก็ไม่บ่อยจาก ก็ต้องอาศัยการบริจาคของคนไทยหน่อยอาศัยการทําบุญทาทานของคนไทยคนไทยทุกครั้งที่มาวัดนี่จะเตรียมตัวมาทำบุญทาทานกันแต่ต่างชาติมานี่ไม่มีใครเตรียมตัวมากับการทําบุญทาทานมาอยากจะมาฟังธรรมอยากจะถามตอบถามปัญหาธรรมอยากจะปฏิบัติธรรม มันก็กลายเป็นกิเลสอีกแบบหนึ่งโดยไม่รู้สึกตัวการทำบุญทาทานก็เพื่อให้ให้กำจัดความตนีความรักความหวงในข้าวของเงินทองของตนและให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นให้ช่วยเหลือผู้ที่เขาด้อยกว่าเราผู้ที่เขามี ขาดแคลนมีความขาดแคลนที่นี้ต่างชาติก็เห็นวัดกลายเป็นวัดร่ำรวยเพราะมีคนไทยทาบุญกันมากก็เลยไม่เห็นว่าวัดนี้เป็นวัดที่ควรที่จะสนับสนุนในการให้เข้าของเงินทองเพราะเขามาเขาเห็นว่ามีญาติโยมชาวไทย ทำบุญทำทานกันมากเขาก็เลยไม่ค่อยได้คิดที่จะทำบุญทาทานเอาเงินไปทำอย่างอื่นเวลาไม่อยู่วัดต้องไปอยู่โรงแรมเอาเงินไปจ่ายค่าโรงแรมไปจ่ายค่าอาหารได้แต่เวลามาอยู่วัดนี่ไม่ต้องเสียค่าที่อยู่ที่พักไม่ต้องเสียค่าอาหาร ก็เลยกลายเป็นว่าวัดนี่เป็นเหมือนเป็นที่อยู่ฟรีกินฟรีไปนี่ก็คือเรื่องที่ได้สัมผัสได้รับรู้มาว่าการปฏิบัตินี่มันต้องให้มันครบวงจรถึงจะได้ประโยชน์ เพราะว่าถ้าเรายัางหวงเงินหวงทองเราจะหวงเงินไว้ทำอะไรก็หวงเงินไว้เพื่อที่จะเอาไปใช้ตามความอยากตา่ตางๆ น, นี่กิเลสยังอยากจะไปที่นูน่นมาที่นี่มันก็เป็นการสนับสนุนความอยากไป <c oughs> <c oughs> การมาปฏิบัติมาอะไรนี่ก็เพื่อมาตัดความอยาก เพราะความอยากนี้เป็นตัวปัญหาตัวสร้างปัญหาให้แก่จิตใจสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจต่างๆให้แก่จิตใจต้องกบจัดมันทุกวิธีทุกรูปแบบที่มันไปเกี่ยวข้องด้วยถ้ามันไปอยากกับอยากได้เงินได้ทองอยากใช้เงินใช้ทอง ก็ต้องให้ให้กำจัดความอยากเหล่านี้ด้วยการาหยุดใช้เงินทองไปทำตามความอยากต่างๆแวถ้ามีถ้าอยากจะใช้เงินทองก็เอาไปใช้ในการทำบุญทำทานแทนเพราะจะเป็นวิธีที่จะตัดความอยากต่างๆได้พอไม่มีเงิน ที่จะไปใช้ตามความอยากก็ความอยากก็จะค่อยๆหมดไปถ้ายังเอาเงินไปใช้ตามความอยากอยู่ความอยากก็จะมีโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะทําให้ต้องไปหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆก็จะติดอยู่ในการหาความสุขผ่านการใช้เงินทอง จะไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้เงินทองความสุขที่แท้จริงนี้เกิดจากการปฏิบัติไม่ต้องมีเงินทองเงินทองซื้อไม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่ต้องเกิดจากการปฏิบัติ การจะปฏิบัติได้ก็ต้องมีเวลาปฏิบัตินั่นเองถ้ายังไปเกี่ยวข้องกับการหาเงินใช้เงินอยู่เวลาจะไปปฏิบัติก็จะปฏิบัติไม่ได้ก็จะติดอยู่ไม่สามารถเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงได้คนที่จะไปปฏิบัติเพื่อ เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงได้เนี่ยต้องสละเข้าของเงินทองออกบวชกันดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างถ้าพระพุทธเจ้ายังเสียดายเงินเสียดายทองอยู่ยังอยากอ ย, กอยู่กับความสุขแบบในวังอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะออกบวชได้เมื่อไม่ได้บวชก็จะไม่มีเวลา ที่จะมาสร้างความสงบที่จะเป็นความสุขที่แท้จริงให้แก่ใจได้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องเลือกทางใดทางหนึ่งจะเอาทั้งสองทางไม่ได้จะเอาความสุขจากการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วจะปฏิบัติควบคู่ไปด้วยมันทำไม่ได้ทำก็ไม่ได้ผล เพราะมันขวางกันขาดกันไปกันคนละทิศคนละทางเหมือนไปทิศเหนือก็ไปทิศใต้เนี่ยมันก็จะดึงกันไปดึงกันมาเดี๋ยวอยากได้ความสุขทางทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมันก็ดึงไปทางหนึ่งเดี๋ยวอยากจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบมันก็ดึงกลับไปอีกทางหนึ่งมันก็ดึงเงินไปดึงกันมาจะไม่สามารถ ไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้การที่จะไปสู่ความสุขที่แท้จริงนี้ต้องตัดความสุขทางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปแต่ในเบื้องต้นอาจจะยังทำไม่ได้ก็ให้ทำแบบซ้อมไปก่อนเช่นหาวันใดวันหนึ่งสมัยก่อนเราเรียกว่าวันพระ วันที่ไม่ต้องทํางานทําการเอาวันนั้นมามาฝึกเป็นนักบวชเนีชาวพุทธเราจะถือศีลแปดกันถือศีลของนักบวชแล้วมาฝึกอยู่แบบนักบวชเกิดไม่อาศัยทรัพสมบัติข้าวของเงินทองมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขจะมาหาธรรมะเป็นเครื่องมือให้ความสุขอาศัย การภาวนาการควบคุมจิตใจด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบอันนี้ก็เป็นการทดลองทำก่อนเพราะถ้าเรายังลองไม่ลองทำเราจะไม่รู้ว่าเราทำได้หรือไม่ได้เหมือนการหัดว่ายน้ำเวลาจะหัดว่ายน้ำเราไม่ลงไปในที่น้ำลึกก่อนเราเผื่อว่ายไม่ได้เราก็ยังยืนได้อยู่ ถ้าไปไหว้ในที่มันลึกพอเกิดไหวยไม่ได้ขึ้นมามันก็ไม่มีที่ยืนมันก็จมน้ำตายได้เห็นการที่เป็นคารวะแล้วจะไปบวชนี่ก็จำเป็นที่จะต้องมีการซ้อมก่อนมีการเรียนรู้วิธีอยู่แบบนักบวชก่อนจึงมีรำเนียมให้เข้าวัดไปอยู่วัดปฏิบัติทำกันในวันพระในวันหยุด มันนั้นจะไม่ไปหาความสุขด้วยเข้าของเงินทองต่างๆหาความสุขด้วยการรักษาศีลแปดหาความสุขด้วยการฟังเทศฟังธรรมหาความสุขด้วยการฝึกทําจิตให้สงบด้วยวิธีการต่างๆเบื้องต้นก็อาจจะให้สวดมนต์ไปก่อนหัดสวดมนต์ไหว้ภาพไปก่อนนี่อันนี้เป็นอุบายเพื่อที่จะดึงใจ ให้ออกจากความคิดเกี่ยวกับเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกก่นั่นเองเพราะปกติถ้าปล่อยให้ใจคิดใจก็จะคิดไปทางนี้เสมอจะคิดไปในทางหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัณจะคิดหาราบยศสารเสริ ญ, ญถ้าปล่อยให้คิดแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพออยากแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปทำตามความอยาก ก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ไม่สามารถที่จะมีเวลามานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบได้จึงจําเป็นที่จะต้องมาฝึกมาหัดควบคุมความคิดหยุดความคิดด้วยอุบายต่างๆอุบายที่ง่ายสําหรับเด็กสําหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติก็ให้สวดมนต์ไหว้พระกันทุกวัดวาราม จึงมีเวลาให้ลงบทเช้าเยน็นให้ทำวัดเช้าวัดเยน็นคำว่าวัดก็คือกิจวัรประจำวันกิจวัดก็คือให้ไหว้พระสวดมนต์สักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็ให้ต่อด้วยการนั่งสมาธิอีกครึ่งชั่วโมงหรือถ้ามีครูบาอาจารย์ก็อาจจะแสดงธรรมต่ออันนี้เป็นการหล่อล้อมจิตใจ ฝึกหัดจิตใจให้หาความสุขจากธรรมแทนที่จะให้หาความสุขจากข้าวของเงินทองต่างๆอย่างที่เคยหากันอยู่เป็นประจำทาไมเราจึงต้องมาหาความสุขจากธรรมก็เพราะว่าความสุขจากข้าวของเงินทองเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดจว จะต้องมีวันที่เราไม่สามารถที่จะหาความสุขจากเข้าของเงินทองได้เพราะร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆนั่นเองเดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้บางทีก็อาจจะพิการไปบางส่วนมีโรคความดันในสมอง เส้นเลือดหดแตกในสมองเกิดอามาพิกอมามภาดขึ้นมาแล้วตอนนั้นจะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากข้าวของเงินทองได้แต่ถ้าเคยเข้าวัดเคยฝึกหัดควบคุมจิตใจให้สงบด้วยอุบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมพุทโธพุทโธ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกนะถ้าทำเป็นก็สามารถที่จะมีความสุขได้และเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราใช้ผ่านทางร่างกายใช้ผ่านทางเข้าของเงินทองต่างๆเพราะว่าเป็นความสุขที่ผลิตขึ้นมาโดยใจโดยธรรมที่มีอยู่ในใจ คือสติคือศีลคือปัญญาอันนี้จะไม่ได้เสื่อมไปกับความเสื่อมของร่างกายสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาได้นี้มันจะอยู่กับเราถ้าเราสร้างแล้วเรารักษามันมันจะไม่หายไปไหนมันจะอยู่กับใจร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนก็ไม่มาเกี่ยวข้องกับธรรมที่เราได้สร้างขึ้นมาภายในใจ ถ้าเรารักษาศีลได้เราเราก็จะรักษาศีลได้ไปเรื่อยๆถ้าเรามีสติคอยควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความคิดได้ทาใจให้สงบได้ไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดก็ตามถ้าเรามีปัญญาที่คอยสอนใจให้คอยกาจัดความอยากต่างๆได้เราก็จะสามารถกาจัดความอยาก ต่างๆที่เป็นตัวสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราที่เป็นตัวทําลายความสงบของใจได้ใจก็จะสงบไปเรื่อยๆมีความสุขไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับข้าวของเงินทองหรือเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะใจสามารถหาความสุขได้อีกรูปแบบหนึ่งเหมือนสมัยนี้รถยนต์นี้เราสามารถใช้ เชื้อเพลิงสองแบบได้ใช้แก๊สก็ได้ใช้อใช้น้ำมันก็ได้ถ้าเราหมดน้ำมันหมดเราก็ยังไม่เดือดร้อนเรายังมีแก๊สอยู่ในถังเราก็ใช้แก๊สไปได้เนี่ยมันดีตรงนี้ถ้าเรามีอะไรมาเป็นตัวอาทางเลือก เผื่อทางนี้ใช้ไม่ได้เราก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งและเป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้วยเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ถาวรเฮอใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายใจเป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมอ่ไม่ไม่ไม่ตายไม่ไม่หายไปไหนเหมือนร่างกายแล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนกับร่างกายใจเป็นเพียงผู้รู้ผู้คิดอ่ ที่สามารถถ้าฝึกหัดก็จะรู้จักวิธีหยุดความคิดที่สร้างความทุกข์ที่สร้างความวุ่นวายใจแล้วก็รู้จักสอนให้คิดไปในทางที่ทำให้สงบให้ไม่มีความอยากต่างๆได้อันนี้เป็นของที่ถาวร อ, อยู่กับใจได้สติแล้วก็จะได้ไปเรื่อยๆ ได้ปัญญาแล้วก็จะได้ไปได้เลยถ้ารักษาไว้ถ้าไม่รักษาก็เสื่อมได้เช่นได้สติแล้วก็เลิกไม่รักษาสติปล่อยให้ใจคิดพงซาดเรื่อยเปื่อยตามความตามอารมณ์ต่อไปก็สติก็หายไปได้ถ้าได้สติแล้วก็ต้องรักษาสติคอยควบคุมใจ ให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ปล่อยให้ใจไปกับความคิดต่างๆเพราะถ้าปล่อยให้ไปกับความคิดความคิดมันก็จะผลิตความอยากผลิตอารมณ์ต่างๆขึ้นมาลบกวนใจทำให้ต้องไปหาสิ่งต่างๆตามความอยากก็จะไปหาความสุขที่เป็นความสุขปลอม เป็นความสุขที่อําพรางความทุกข์ไวการที่เราไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เรากําลังไปหาความทุกข์โดยเราไม่รู้สึกตัวเพราะมันเป็นความสุขแบบอําพรางเหมือนกับ <c oughs> นายพรานที่เขาจะจับดักสัตว์นี่เขาจะมีที่ล่อ ให้สัตว์เข้าไปสัตว์ไม่รู้ก็คิดว่าเป็นที่ให้ความสุขเช่นมีอาหารอยู่ในกับดักพอไปกินอาหารในกับดักก็ถูกกับดักขังไว้แล้วก็ถูกจับไปไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่นายพานต้องการจะทำ เอาไปข้าเอาไปขายแล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกันค ว, ความสุขทางลาบยศสารเสริญความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันมันอำพรางความทุกข์ไว้มันหุ้มห่อความทุกข์ไว้มันเป็นผิวบางๆที่พอมันจางหายไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญ ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัไม่ว่าจะเป็นร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายมันต้องมีวันเสื่อมมันต้องมีวันหมดมีวันเสียเวลามันเสื่อมมันหมดมันเสียก็ใช้การไม่ได้ใช้การหาความสุขไม่ได้พอหาความสุขไม่ได้มันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือ เรื่องของทำไมเราจรึงต้องมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมกันมารักษาศีลแปนมาภาวนาทำใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดด้วยปัญญาด้วยสติเพราะเป็นวิธีที่เราจะสร้างความสุขทางใหม่ความสุขชนิดใหม่ เพราะต่อไปเราจะอาศัยความสุขชนิดเก่าไม่ได้แล้วต่อไปร่างกายเราจะแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจะมากจะน้อยก็อยู่กับบุญกรรมที่เราทำมาในอดีตบางคนก็มีบุญมากก็ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรเหมือนคนหนุ่มคนสาวได้ แต่ก็ยังอาจจะไม่ทรมานมากเหมือนกับคนที่มีโรคภยัยค่าเจ็บเบียดเบียนคนที่พิกลพิการเป็นอมัอมพฤกอัมพาตทำอะไรไม่ได้ต้องอเหมือนกับเป็นเด็กต้องอาศัยให้คนอื่นคอยอุ้มคอยยกคอยพาไปไหนมาไหนอันนี้คือสภาพของร่างกายที่จะเป็นด้วยกันทุกคน เป็นมากเป็นน้อยช่วงนั้นอะ่ะจะเป็นช่วงที่ความทุกข์ที่มันถูกความสุขอำพ้พางไว้จะปรากฏขึ้นมาความสุขมันจะปรากฏช่วงที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวช่วงที่เรามีกำลังวังชาช่วงที่เรามีความสามารถที่จะหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ แต่พอเราเข้าสู่วัยชราเนี่ยความสุขเหล่านั้นมันจะหายไปแล้วความทุกข์ที่ความความทุกข์ที่ความสุขมันหุ้มห่ออยู่ก็จะปรากฏขึ้นมานี่แหละาจึงพระพุทธเจ้าถึงต้องสละราชสมบัติเพราะพระองค์พอไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนักบวชเห็นเทวทูตสี่ก็ทรง รู้เลยว่าจะต้องไปในทางไหนเพราะต่อไปร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกับคนแก่คนเจ็บคนตายที่พระองค์ได้ทรงไปพบเห็นในขณะที่ทรงเสด็จออกไปเที่ยวข้างนอกวังตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นภาพเหล่านี้ไม่เคยเห็นภาพของคนแก่ไมเ่เคยเห็นภาพของคนเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่เห็นไม่เคยเห็นภาพของคนตายไม่เคยเห็นนักบวชนะแต่ตอนนั้นพอได้มีโอกาสหนีออกไปเที่ยวก็เลยได้เห็นความจริงของร่างกายแล้วก็เห็นนักบวชว่าเป็นผู้ที่หาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเป็นผู้ที่หาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายพระองค์ก็เลย มีความปรารถนาที่จะออกบวชก็รอจังหวะแล้วก็อาจจะต้องต่อสู้กับความคิดความอยากต่างๆใจหนึ่งก็อยากไปอีกใจหนึ่งก็อยากอยู่การไปบวชมันจึงไม่ใช่เป็นของง่ายๆเพราะความผูกพันการติดอยู่กับ ชีวิตแบบเดิมนี่มันเหนียวแน่นมากถ้าไม่ใช้ปัญญาไม่เห็นเห็นอนาคตของของความสุขแบบนี้ก็จะตัดไม่ได้คนที่อยากจะออกบวชนี้ต้องคอยคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆให้นึกอยู่บ่อยๆ อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา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 เห็นทางว่าทางนี้มันทางตันนะทางนี้จะพาไปสู่ความหายน ะ, ะเหมือนถ้าเราขับรถไปแล้วเขามีเขียนป้ายบอกว่าอันตรายข้างหน้าถนนขาดนี้เรายังจะดันไปหรือเปล่าเราก็คงต้องกลับรถไปอีกเส้นทางหนึ่งเขาอาจจะเขียนป้ายว่าให้ไปทางนี้แทนไปทางนู้นทางนู้นทางมันขาด ไปไม่ได้พอเราเห็นป้ายเราก็เชื่อป้ายแล้วไปไม่ได้ต้องไปอีกทางหนึ่งถึงแม่อีกทางหนึ่งจะอ้อมจะไกลจะยากแต่อย่างน้อยมันก็ยังไปได้แต่ถ้าไปทางนี้ไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเลลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเลาลึกถึงการพัดพรากจากกัน เรกถึงการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราไม่อยู่อยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไม่ลืมเนี่ยที่เราที่เราไม่คิดกันก็นเพราะเราลืมเราที่เรายังติดอยู่กับการหาความสุขในรูปแบบนี้เพราะเราลืมเราลืมเราไม่เห็นป้ายที่เขาเขียนบอกว่าทางนี้ทางตันนะไปไปแล้วจะไม่ได้อ่าจะไปไม่ได้ ไปแล้วก็จะอติดอยู่ตรงนั้นถ้าอยากจะไปต้องไปอีกทางหนึ่งอันนี้ก็เป็นป้ายที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราอ่านกันอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของเรานี้จะนําไปสู่ความตันนําไปสู่ความทุกข์ต่อไปเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้ไปอีกทางหนึ่งไปทางของนักบวชนพระพุทธเจ้าไปเห็นป้ายเนี่ยออกไปเที่ยวนอก นอกวังก็เห็นป้ายป้ายเขาเขียนไว้ว่าทางเก่าที่พระองค์กำลังเดินอยู่นี้มันจะไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายทางอีกทางนนี่จะพาไปสู่การไม่มีความแก่ความเจ็บความตายก็คือการไปไปทางของนักบวชนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เลยค้นพบทางเลือกใหม่โดยไม่รู้สึกตัว ่ก่อนอยู่ในวังนี้คิดว่านี่คือทางที่วิเศษที่สุดนะการอยู่ในวังนี้จะจะมีความสุขแบบไหนดีเท่าอาหารการกินนะมหะรสบบันเทิงอะไรต่างๆนี่ใครๆก็อยากจะเข้าไปในวังอยู่กันไปดูกันเพราะคิดว่าเป็นคือสิ่งอันใดในโลกนี้ที่ดีที่สุดที่วิเศษที่สุดนี่ไปอยู่ในวังหมดนะ ไม่ว่าประเทศไหนลองไปดูตามพระราชวังต่างๆจะมีสิ่งที่วิเศษเลิศโลกไปรวมกันอยู่ในวังถ้าใครอยู่ในวังแล้วหนีจากวังไปอยู่แบบขอทานเขาเรียกว่าบ้าถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านตามภาษาคนตาบอดอย่างพวกเราตาบอดก็คือมองไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายที่รอพวกเราอยู่ พระพุทธเจ้านี่เป็นคนไม่ใช่คนตาบอดมองเห็นความจริงมองเห็นอนาคตของพระองค์เห็นว่าต่อไปจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องทุกข์พูดง่ายๆจะต้องทรมานจิตใจเพราะจะไม่สามารถหาความสุขตามที่เคยหาได้พระองค์ก็เลยบอกว่าไม่เอาดีกว่า เหมือนกับคนที่ขึ้นเครื่องบินรู้ว่าเครื่องบินจะตกเนี่ยไม่เอาดีกว่าหาล่มชูชีพแล้วกระโดดออกดีกว่าก่อนที่เครื่องบินมันจะตกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็หาล่มชูชีพคือการออกบวชเนี่ยเป็นล่มชูชีพเพราะการบวชนี้ไม่ได้ไปหาความทุกข์การบวชนี้ไปหาความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากในวงังถ้าพระพุทธเจ้า รู้ว่าการไปบวชนี้จะทุกข์ทรมาร์และไม่ได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่มีอยู่ในวังพระพุทธเจ้าก็จะไม่ไปอย่างแน่นอนแต่พระองค์ทรงทราบว่าความสุขที่ได้จากนักบวชนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการอยู่ในวังเพราะการอยู่ในวังเดี๋ยวความสุขก็จะหมดไปเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บ ร่างกายตายออพ่อองค์ก็เลยต้องออกบวชตาใจหนึ่งก็ยังถูกกิเลสดึงไว้อยู่ออห่วงหน้าห่วงหลังจนมาถึงวันที่จะต้องตัดสินใจวันที่พระมเมหสีคลอดพระราชโอรสออกมาวันนั้นพ่อองค์ทรงรู้สึกว่าถ้าไม่ไปก็จะไปไม่ได้ เพราะเนื่องจากจะมีความผูกพันกับพระราชโอรสบิดามารดานี้จะรักลูกหวงลูกถ้าอยู่ก็ต้องดูแลลูกเลี้ยงลูกจะไปไม่ได้ถ้าจะไปก็ต้องไปตอนนี้ไปโดยที่ไม่ไปรับรู้ว่าถึงแม้จะรู้ก็ไม่ไปดูไม่ไปดูลูกเหมือนก็เพียงแต่ได้ยินข่าวแต่ยังไม่เห็นกับตา สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นก็เลยต้องเลือกทางแล้วในคืนนั้นว่าจะเอาอย่างไรดีก็เลยทรงตัดสินพระทัยว่าต้องไปแล้วต้องไปเป็นนักบวชเพราะถ้าอยู่ต่อไปก็จะไปไม่ได้และเวลาไปก็บอกใครไม่ได้ด้วยถ้าบอกเดี๋ยวก็ถูกเขายับยั้งไว้อะไรต้องหนีไป ไปในยามวิการเวลาที่คนหลับนอนกันหมดแล้วไปแบบเงียบๆมีข้าราชบริพารมหาเล็กติดตามเป็นคนหนึ่งเพื่อที่จะได้นำม้าที่ทรงประทับกลับวังเวลาที่พระองค์ทรงไปพ้นเขตของของประเทศแล้วพระองค์ก็เดินต่อไปหลังจากที่นำเนินไปสุดเขตชายแดน ก็สรงเดินทางด้วยเท้าต่อไปให้มาเล็กนำเอามาที่ส่งประทับนี้กลับไปวางไปแจ้งให้คนในวังทราบว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่อยู่แล้วหายไปแล้วไม่รู้ว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้เพราะถ้ารู้ก็จะมีคนติดตามไปคิดดูเนี่ยการบวชของพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของง่าย ฟังดูกล้า จ, จะคิดว่ามันง่ายเหลือเกินแต่ถ้าเราเป็นในฐานะแบบพระพุทธเจ้าเราจะทําได้หรือไม่มีเจ้าชายในยุคปัจจุบันองค์ไหนบ้างที่ไปบวชกันไม่มีหรอกเพราะว่ามันเป็นของยากแล้วไม่มีใครคิดว่าการไปบวชนี้ดีกว่าการอยู่ในวังทุกคนคิดว่าอยู่ในวังดีกว่าไปบวชกันนะ เมืองไทยเราอาศัยมีขนบธรรมเนียมประเพณีบวชกันมาก็เลยทำให้มีเจ้าชายมีพระเจ้าแผ่นดินบวชกันแต่ก็บวชแบบไปศึกษาทัศนศึกษาไม่ได้ไปบวชแบบเอาจริงเอาจังบวชตามประเพณีตามความเชื่อว่าบวชแล้วจะเป็นคนดีขึ้นจะเป็นคนที่ฉลาดขึ้นก็เลยไปบวชกัน ท่านก็บวชกันแค่ช่วงสั้นๆเพียงสิบห้าวันมีอยู่รูปหนึ่งเมื่อรัชกาลที่สี่เนี่ยสมัยที่ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ขึ้นข้องราชท่านก็บวชเป็นพระรู้สึกบวชได้อยู่กับยี่สิบปีแต่พอรัชกาลที่สามสิ้นเขาก็มากราบทูลให้ท่านขึ้นข้องราชท่านก็ต้องสละผ้าเหลืองแล้วก็ไปขึ้นข้องราช พอไปขึ้นของง่าท่านก็กลับไปหาความสุขแบบในวังต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของการไปเปลี่ยนวิธีหาความสุขมันไม่ใช่เป็นของง่ายนโดยเฉพาะหาแบบจริงจรงจังๆไม่ใช่แบบหาแบบพอหอมปากหอมคอ อย่างที่คนส่วนใหญ่มาวัดกันนี้ยังเรียกว่าเป็นการมาทัศนศึกษากันมากกว่ามาลองของกันมากกว่าคือมาอยู่กันเป็นระยะสั้นๆสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันนานๆจะมีสักคนที่อยู่มีต่างชาติเคยมาขออยู่ได้ปีนึงปีหนึ่งตอนนี้ก็บวชบวชได้พันสาหอึ่งลนะ ตอนนี้อดอาหารไม่รู้กี่วันนั้นเนี่ยเดือนตงไม่ลงมากินข้าวกินแต่น้ำปาะนะกับพวกอะไรกับปามัดเนยข้นเนยใสอะไรน้ำตาลน้ำพึ่งน้ำอ้อยอะไรนี้ก็อยู่ได้เป็นนักปฏิบัตินี้ไม่ค่อยใช้พลังงานทางร่างกายเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ก็จะนั่งสมาธิเห็นบอกว่า เวลาไม่ออกมารู้สึกว่าจิตมันสงบง่ายกว่าถ้าออกมาทําภารกิจไปบิณาบาดไปฉันนี่มันต้องไปเกี่ยวข้องกับคนเยอะสมัยนี้ที่นี่เบนณาบาดวันหนึ่งคนใส่บาดเป็นน้อยต้องวุ่นวายเกี่ยวกับการจัดการอาหารรับฉันอาหารทําความสะอาดสถานที่อะไรต่างๆ กว่าจะกลับไปสู่ที่สงบได้ก็เสียเวลาไปหลายชั่วโมงปกติถ้าไม่ได้บินรบาดไม่ฉันก็ไม่ต้องออกมาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอนุญาตให้อยู่ปีกวิเวกตามลาพังรงนี้ก็เลยเคยมาศึกษามาถามว่าปฏิบัติมารู้สึกว่ามันไม่เข้าหน้าเลยราบอกถ้าจะก้าวหน้ามันก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้น ถ้าเหตุมันไม่เข้มข้นผลมันก็ไม่เข้มข้นถ้าปฏิบัติแบบสบายๆผลมันก็มาแบบสบายๆถ้าอยากจะให้ผลมันมากกว่าที่เป็นอยู่ก็ต้องมีมาตรการเข้มข้นเช่นพระพุทธเจ้าให้มีธุดงควัตนนี่เป็นมาตรการที่เข้มข้นเช่นสมมติว่าถ้าเคยฉันสองมือเป็นพระนี่ฉันสองมือได้ฉันเช้าฉันเพร ถ้าอยากให้มันก้าวหน้าก็ต้องฉันมือเดียวเออถ้าเคยฉันในสำนักมีถ้วยมีจานมีอะไรก็ให้ฉันในบาทเนี่ยอันนี้เป็นมาตรการที่จะบีบ ก, กิเลสตัวที่คอยขัดขวางความเจริญทางธรรมเพราะบีบ ก, กิเลสด้วยทุดงขวัตได้ผลของการปฏิบัติมันก็จะปรากฏมากขึ้นมาตามลำดับการถือทุดงขวัตเลยเป็น เป็นส่วนหนึ่งเป็นมาตรการที่จะทําให้ผู้ปฏิบัตินี้ได้ผลมากขึ้นมีการคืบหน้าในการปฏิบัติบางทีฉันมือเดียวแล้วยังอยากจะคืบหน้ากว่า น, นี้ก็บอกลองอดอาหารดูสิลองอย่าฉันทีละสามวันห้าวันดูพออดอาหารอยู่คนเดียวปีกไม่เวกไม่ต้องมารับรู้เรื่องราวต่างๆ มีสติคอยควบคุมความคิดได้อย่างต่อเ น, นื่องตลอดเวลาเวลาจะนั่งสมาธิก็สงบง่ายเวลาสงบความหิวทางร่างกายก็หายไปความหิวทางร่างกายนี้มันเป็นส่วนย่อยเวลาอดอาหารนี้มันจะมีความหิวอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งคือทางร่างกายอีกส่วนหนึ่งคือทางจิตใจความหิวทางจิตใจนี้มันทรมานมากกว่า มันคิดอยู่เรื่อยๆพอคิดถึงอาหารมันก็ทรมานขึ้นมาแต่ความหิวทางร่างกายมันเป็นเพียงความรู้สึกท้องเบารู้สึกอ่ อ, อน อ, อน่ อ, อ, น อ, อนเพี้ยเปรีแรงอ่ อ, อนแรงหน่อยไม่มีกำลังแต่ไม่รุนแรงเหมือนกับความอยากกินอาหารพอเราฝึกสติควบคุมความอยากได้นั่งสมาธิทาใจให้สงบได้เนี่ ความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากกินอาหารนี้หายไปหมดเลยใจอิ่มขึ้นมาอิ่มด้วยความสงบทำให้ความหิวของทางร่างกายนี้ไม่มีความหมายต่อจิตใจที่มีความสงบก็เลยอดได้อย่างสบายดูพระพุทธเจ้าอดได้ถึงสี่สิบเก้าวันเพราะพระองค์มีสมาธิถ้าพระองค์ทำเข้าฌานได้เวลาที่ พระ อ, องค์ทุกกับความหิวทางร่างกายพระ อ, องค์ก็เข้าฌานไปพอเข้าฌานไปความหิวทางใจก็หายไปหมดเหลือแต่ความหิวทางร่างกายที่มีน้ำหนักน้อยมากจึงทำให้จิตใจนี้ไม่สะเทือนไม่เดือดร้อนกับความหิวทางร่างกายสิ่งที่ทำให้สะเทือนใจหรือเดือดร้อนก็คือความหิวทางใจ ที่เกิดจากความคิดความอยากที่จะรับประทานอาหารนี่การโดอาหารมันก็เลยเป็นการบังคับไปในตัวบังคับให้เราภาวนากันให้เราเข้าสมาธิเข้าฌานกันเพราะโดยปกติกิเลสมันจะไม่ชอบเข้าสมาธิไม่ชอบเข้าฌานถ้ามันกินอิ่มแล้วนี่มันอยากจะเข้าหมอนเข้าเตียงเข้าหาที่นอนพอกินอิ่มกลับมานี่มันตาหนังตาจะหย่อนหนังท้องจะตึง อยาให้นั่งสมาธินี่นั่งก็สับประงกให้เดินจงกรมก็ไม่มีเลี่ยวมีแรงที่จะเดินมีอยากจะจะนอนอย่างเดียวนอนให้มันท้องมันเบาก่อนถึงจะค่อยลุกขึ้นมาภาวนาได้แต่ถ้าไม่ได้ออกไปฉานอาหารนี่มันจะบังคับให้คอยเข้าสมาธิเข้าฌานอยู่เรื่อยเพราะเวลาออกจากสมาธิมาพอเผลอก็ไปคิดถึงอาหารก็อยากกินขึ้นมา พออยากกินขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีพอทุกข์ก็เลยต้องไปเข้าสมาธิเข้าฌานเพื่อจะได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากกินอาหารได้มันก็เลยทำให้การปฏิบัติก้าวหน้านั่งสมาธิบ่อยขึ้นมากขึ้นเข้าสมาธิเข้าฌานบ่อยขึ้นมากขึ้นนั่นเองนี่แหละคือการเจริญก้าวหน้าทางธรรมนี้มาตรการการปฏิบัตินี้มันต้องค่อยเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆ ดูประวัติของพระที่ท่านปฏิบัติดูตอนต้นท่านก็เริ่มอยู่ที่วัดก่อนอยู่แบบธรรมดาเหมือนพระทั่วไปก่อนแต่พอรู้ว่ามันเต็มที่แล้วมันจะก้าวนี้ก้าวหน้ากว่านี้ไปไม่ได้มันต้องออกวัดแล้วต้องไปอยู่ป่าแล้วไปทุง่ง dong นะเหมือนกับการปลูกต้นไม้เนี่ยตอนต้นเราปลูกไว้ในกระถางก่อนต้นไม้ก็จเจริญเติบโต ง่ายดูแลง่ายถ้าไปปลูกไว้ในดินมันอาจจะดูแลยากกว่าและอาจจะไม่รอดเนี่ยนั้นตอนต้นนี้ต้องปลูกในกระถางก่อนเพื่อที่จะได้ดูแลใกล้ชิดได้อย่างง่ายรักษาปกป้องได้อย่างง่ายได้แ ต, แ, ตแต่พอต้นไม้เริ่มโตขึ้นโตขึ้นต่อไปดินในกระถางมันจะหมดเลยเพราะมันกลายเป็นต้นไม้ไปหมดแล้ว ถ้าอยากจะให้ต้นไม้ใหญ่กว่านี้มันก็ต้องเอาลงดินนะนการปฏิบัติตอนต้นก็เหมือนกับต้องอยู่ในวัดอยู่ในฐานที่ที่มีการดูแลใกล้ชิดเช่นมีครูบาอาจารย์มีการอบรมสัง่งสอนมีกฎมีฎรมะเบียบต่างๆคอยควบคุมบังคับให้ใจเข้าไปในกรอบของธรรมให้ได้ให้ใจเข้าไปสู่ความสงบให้ได้แต่มันจะได้ความสงบ ในระดับต้นๆถ้าอยากจะได้ความสงบที่มากกว่านี้นี่นี้ต้องออกไปหาที่อยู่คนเดียวแล้วถ้าอยู่ในวัดอยู่กันหลายๆคนนี้มันก็เหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ในกระถางมันจะเจริญเติบโตขึ้นไปมากกว่า น, นั้นไม่ได้มันต้องเอาลงดินแะต้องย้ายต้นไม้จากกระถางไปลงดินต้นไม้ถึงจ ะ, จะเจริญตบโตได้มากขึ้นไปะ ผู้ปฏิบัติตอนต้นก็ศึกษาอยู่กับวัดศึกษากับครูบาอาจารย์ไปก่อนในระยะในระยะแรกนี้ทางพระวินัยก็บังคับไว้ให้ผ้าบวชใหม่นี้อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ไปอย่างน้อยห้าปีก่อนห้าพันษาก่อนเพื่อที่จะได้สร้างกำลังเพราะถ้าพอบวชปั๊บจะไปทุดงเลยนี้มันไม่มีกำลังมันไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ที่จะรักษาตัวให้รอด ก็เลยต้องบังคับให้อยู่กับครูบาอาจารย์ห้าพันษาก่อนแล้วพอครูบาอาจารย์เห e, ็นว่าจิตใจเข้มแข็งแล้วจิตใจสามารถไปอยู่ตามลําพังได้ท่านก็จะอนุญาตให้ไปทุ่งดงได้เป็นพักๆ ก, ก่อนไม่ให้ไปแบบไปไม่กลับเลยให้ไปจะไปเดือนสองเดือนแล้วค่อยกลับมามารายงานผลว่าเป็นยังไงคืบหน้าอย่างไรมีปัญหาอย่างไร จะได้แก้ปัญหาจะได้คืบหน้าต่อไปได้ผ้าที่ออกทุดดงก็ไปหาที่ต่างๆที่จะกระตุ้นความเพียรที่จะกระตุ้นให้เกิดผลขึ้นมาอยู่ที่สบายๆมันไม่มีสติสตังต้องไปอยู่ที่มันหวาดเสียวหวาดกลัวมันจะมีสติสตังการเวลาทำอะไรด้วยความระมัดระวังนี่เรียกว่าเรากำลังมีสติ ถ้าเราทาแบบไม่ระมัดระวังทำแบบใจลอยนี่แสดงว่าไม่มีสติถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยมันจะใจลอยง่ายแต่ถ้าอยู่ในที่มีภัยเช่นมีงูมีสัตว์เลื้อยคานมีอะไรเวลาเดินนี่มันจะไม่ใจลอยเวลาเดินมันจะดูทางไปตลอดมันจะดูว่ามีงูหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่านี่คือมาตรการที่จะทำให้เกิดผล ปรากฏมากขึ้นไปตามลำดับนะถ้าอยู่บ้านอยู่เมืองมันไม่มีตัวกระตุ้นสติตัวกระตุ้นปัญญาถ้าไปอยู่ในป่าในเขามันมีภัยรอบด้านมันจะมากระตุ้นสติกระตุ้นปัญญาปัญญาก็คือมันจะกระตุ้นให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตว่าชีวิตของคนเราไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ถูกงู ก, กัดตายเมื่อไหร่ก็ได้ถูกเสือถูกอะไรกัดตายเมื่อไหร่ก็ได้ มันจะทําให้มีความระมัดระวงังมีความเพียรมีสติมีปัญญาที่จะปล่อยวางการปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาปล่อยวางร่างกายเพราะการยึดติดในร่างกายมันทําให้เราทุกข์ทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะเราต้องต้องใช้ร่างกายอาศัยร่างกายหาความสุขให้กับเราแต่ถ้าเรามาฝึกจิตมาฝึกสมาธิ เราสามารถเลิกใช้ร่างกายได้แต่ขณะที่เราเลิกใช้ร่างกายแต่ความผูกยึดติดในร่างกายมันก็ยังไม่หมดต้องไปหาเหตุการณ์ที่มาบังคับให้ปล่อยจะให้มันไปเจอความความเป็นความตายไปไปเสี่ยงกับเหตุการณ์ที่ใกล้เป็นใกล้ตายมันจะทําให้ต้องตัดสินใจว่าปล่อยหรือไม่ปล่อยแล้วมันถึงจะปล่อยได้ ถ้าอยู่ในที่สบายๆไม่มีเหตุการณ์มา ท, าท้าทายความเป็นความตายนี้มันยึดมันมันไม่ปล่อยง่ายๆต้องไปอยู่ในที่ที่มัน ท, าท้าทายดับความเป็นความตายแล้วมันจะเห็นโทษของการยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวทำให้ทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากถ้าไม่อยากจะทุกข์ทรมานก็ต้องตัดมันปล่อยมันไปยอมให้มันตายไปยอมตายพูด ง, ง่ายๆ พอยอมตายปั๊บความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดในร่างกายนี้หายไปหมดเนี่ยร่างกายก็ยังอยู่ได้แต่อยู่อีกคนละแบบแล้วใจอยู่แบบไม่กลัวตายแล้วแต่ถ้ายังไม่ปล่อยยังไม่ยอมตายนี้มันจะอยู่แบบกลัวตายไปไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยนี่แหละสุบาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่านิพพานอยู่ฟากตายก็อยากจะไปนิพพานนี้ต้องยอมตายกันถ้าไม่ยอมตายแล้ว ไปไม่ได้มันจะติดอยู่กับร่างกายมันจะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองพอร่างกายนี้ตายไปก็ยังติดอยู่กับร่างกายก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาติดใหม่เหมือนคนติดยาเสพติดเนี่ยพอยาเสพติดอันนี้หมดก็ไปหายาเสพติดใหม่มาเสพต่อร่างกายก็เป็นเหมือนยาเสพติดของใจพอเสพติดแล้วพอร่างกายนี้หมดร่างกายนี้ตายก็ไปหายาหาร่างกายอันใหม่มา มาติดใหม่ถ้าติดมันก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไม่ติดกับร่างกายต้องยอมตายปล่อยให้มันตายไปแต่ไม่ตายหรอกเพียงแต่ปล่อยท่านเองต้องมีเหตุการณ์ที่คิดว่าจะตายมามาบังคับให้ปล่อยแล้วต่อไปหลังจากนั้นแล้วมันจะไม่มีความกลัวตายต่อไปอนี่คือเรื่องของ การเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบใหม่ที่เป็นแบบที่ถาวรที่เป็นของแท้ของจริงที่จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดคือความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจที่พวกเราจะต้องมาฝึกหัดกันในระยะแรกๆก็มาซ้อมก่อนมาทดลองก่อนมาชิมดูก่อนวันพระวันหยุดทำงานก็ลองมาอยู่แบบนักบวชกันสักวันหนึ่ง ถ้าอยู่แล้วได้ผลดีก็อาจจะอยากเพิ่มวันขึ้นก็นได้อยากวันเป็นสองวันเป็นสามวันแล้วต่อไปก็อาจจะบวชได้เลยนี่คือเรื่องของอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ทาบุญทาทานรักษาศีลและภาวนาจะภาวนาได้ต้องรักษาศีลให้ได้จะรักษาศีลได้ได้ก็ต้อง หยุดการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองทําทานให้หมดมีข้าวของเงินทองก็บริจาคไปเราจะได้ไปบวชได้ไปรักษาศีลไปภาวนาได้พอภาวนาแล้วก็จะได้บรรลุจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนะราโยะธามณิชติอาระโสยะธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิปสานิจังวุทฒาปัจายโน ยะตาโรธรมาวะทานติอายุวันโสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ o กเข้ามา330 YouTube 218ิวิทยุออนไลน์33รับฟังข้างบนนี้23าคน รวมทั้งหมดหกร้อยสี่ครับเอาภาษาไทยนะห้าพูดภาษาอังกฤษนะพูดภาษาอังกฤษได้ป่ะ <c oughs> มาสการ์การหองพ่อห อ, อ, องพ่อคะคือแต่ก่อนที่หนูสวดมนต์แล้วหนูจะมีทุค ำ, คำสวดมนต์น่ะขึ้นในใจแต่ปัจจุบันนี้ตั้งตั้งแต่หนูอ่ะฟังพระอาจารย์ทุกๆวันน่ะ ตอนนี้มีอะไรเข้ามากระทบใจิตใจทุกๆครั้งหนูไม่ได้ไม่ต้องหนีแต่หนูมีธรรมขึ้นในใจเป็น ข, ข้อข้อขึ้นมาเจ้าค่ะเออนั้นและเป็นปัญญาถ้าเป็นธรรมก็เป็นปัญญ า, ามาระ ง, งับความวุ่นวายใจได้ไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้อันนั้นเป็นถ้ายังไม่มีปัญญาก็ต้องหยุดมันด้วยการสวดมนต์หยุดมันด้วยการพุโทโธ หรือถ้าไม่สวดไม่พูดโทกมีกำลังหยุดก็หยุดมันไปเฉยๆก็ได้ไม่ให้มันคิดมันก็หายไปได้ผมพ่อคะแต่ทำเนี่ยหนูไม่ได้นึกมันนะแต่เหตุการณ์มันปุ๊บหนูมันมีคําว่าอย่างพระอาจารย์เคลเทศพระคีรีิ้วมันขึ้นมาเลย่ะอ่าก็เหละมันฝังในใจไงโอสาธุที่มาปฏิบัติเพื่อให้มันฝังในใจแล้วพอมีปัญหามันก็จะโผล่ขึ้นมาตอนนี้ยังติดตามทาง อ่าเขายังมีเคเบิลรึเปล่าช่องอะไรช่องแปดช่องแบ้านอำเภอถ่ายทอดตอนไหนตอนสดรึ yeah <ต>เปล่สดค่ะสดแล้วเวลาหลังนั้นมีอีกไหมมีค่ะช่องแปดนี้เป็นช่องธรรมะเลยทับธรรมะทั้งวันทั้งว<ๆ>ันเลยแหละเป็นของพาลู่เหมือนด้วยเจ้าค่ะคำถามจากทางบ้านนะครับคุณพรมพิษกราบนมัสการหลวงพ่อครับ คุณพ่อเพิ่งเสียแต่อยู่ต่างประเทศไม่สามารถประกอบพิธีเช่นสวดศพให้ได้ตามศาสนา mm hmm. เผาแล้วจะนำกระดูกกลับเมืองไทย mm hmm. อยากทราบว่าเมื่อเป็นลูกจะส่งพ่ออย่างไรได้บ้างทำบุญยังไงได้บ้างเมื่อเจอข้อจำกัดแบบนี้ครับก็เรื่องของคนตายก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือ กำจัดซากให้มันหมดไปนั่นเองจะกำจัดวิธีไหนก็ได้จะเผาจะฝังจะอะไรไม่จําเป็นจะต้องมีพิธีกรรมอะไรทั้งนั้นฮะไม่ต้องมีพระมาสวดไม่ต้องมีวัดมีอะไรอันนี้เป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วเรื่องทําบุญนี้ก็ทําได้ตลอดเวลาไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้คนตายแล้วค่อยมาทําบุญทําบุญได้ทุกวันถ้าอยากจะทํา เช่นอยากจะใส่บาทก็โอนเงินเข้าวัดไปทุกวันก็ได้สมัยนี้วัดมีบัญชีอยากจะทำบุญกับวัดก็กดหมายเลขบัญชีวัดก็ส่งถึงเลยโอนถึงเลยส่วนการทำบุญให้ผู้ตายก็ทำไปบุญที่เราทำนี่เราสามารถแบ่งให้ผู้ที่ตายไปแล้วได้ถ้าเขารอรับอยู่ถ้าเขาอยู่ในฐานะของขอทานเขาจะมารอรับบุญของที่เราทาให้เขา แต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นขอทานหรือถ้าเขาไปอยู่ในฐานะอื่นเขาก็ไม่ได้รับนี้เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในฐานะไหนแล้วก็ทำเผื่อไปก็แล้วกันทุกครั้งที่เราทำบุญเราอยากทำบุญรับทำบุญเสร็จก็อุทิศบุญที่เราทำนี้ส่วนหนึ่งไปให้เขาได้คาถามต่อไปจากคุณอนดามันกราบนรมัสการพระอาจารย์ครับอยากขอคาแนะนาเรื่อง จะหักห้ามใจอย่างไรดีครับไม่ให้กระทำบาปก็ต้องฝึกสติให้มากๆนะเวลาคิดจะทำบาปก็หยุดมันก่อนใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจนกว่าความคิดที่จะทำบาปนั้นมันหายไปพอเราควบคุมความคิดได้ขั้นที่สก็สอนให้เห็นโทษของการกระทาบาปผลของการกระทำบาปว่ามันจะมีผลกระทบต่อจิตใจเราในหลายในหลายระดับด้วยกันระดับแรกก็ จิตใจเราจะไม่สบายเวลาทำบาประดับที่สองเราอาจจะถูกเขาลงโทษหรือประนามอันนี้ไม่แน่อาจจะโดนอาจจะไม่โดนอันดับที่สี่อันดับที่สามตายไปก็ไปเป็นไปเกิดในอบายอันดับที่สี่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาเป็นมนุษย์ที่อาภาัพว่าชนะให้มองถึงผลของการทำบาปแล้วมันจะเกิดเกิดเขาเรียกว่าความกลัวบาป ฮิริโอตปะฮิริแปลว่าความอายคนทำบาปนี้ไม่มีใครยกย่องสรรเสริญคนทำบาปจึงมักจะแอบทำกันไม่กล้าทำแบบเปิดเผยเพราะอายแล้วผลของการทำบาปก็อย่างที่บอกทำให้จิตใจไม่สบายตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายกลับมเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาคำถามต่อไปจากคุณจินคอป <c oughs> มีสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งมโนวิญญาณคืออะไรครับและควรพิจารณาอย่างไรครับมโนวิญญาณวิญญาณมันมีหยนะทางตาหูจมูกเล่นกายอันที่หกเรียกว่ามโนคือทางใจวิญญาณทางใจก็วิญญาณที่รับรู้ความคิดปรุงแต่งของใจนี่เองเรียกว่ามโนวิญญาณ เวลาเราคิดอะไรแล้วเรารู้ว่าเรากำลังคิดอะไรนี้ก็เพราะว่าเรามีมโนวิญญาณรับรู้ความคิดอันนี้คำถามที่สองนะครับขั้นพระโสดาบันท่านยังมีความกลัวตายไหมครับเสี่ยนตายทำอย่างไรได้บ้างครับ อ, อ๋อานไม่กลัวตายแต่ถ้านไม่บ้าตายไม่บ้าบินท่านจะอยู่อย่างออระมัดระวัง เพราะท่านเห็นคุณค่าของชีวิตร่างกายที่ยังต้องเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมต่อและมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นท่านจะไม่บ้าบิน่นกล้าตายแต่ท่านไม่กลัวตายท่านจะอยู่กองกลาง ร, ระหว่างความกลัวกับความกล้าจะว่ากล้าก็ไม่กล้าจะว่ากลัวก็ไม่กลัวท่านจะอยู่เฉยๆถ้ารักษาได้ป้องกันได้ก็รักษาป้องกันถ้ารักษาไม่ได้ป้องกันไม่ได้ก็ให้มันตายไป แต่ช่วงปฏิบัตินี้อาจจะต้องบ้าบินหน่อยถึงจะไปเจอความตายได้ถ้าไม่บ้าบินมันกลัวมันก็จะไม่กล้าไปหาความตายช่วงเจริญมรรคเนี่ยต้องไปหาต้องบ้าบินต้องกล้าตายแต่พอหายกลัวแล้วไม่กลัวตายแล้วก็ไม่กล้าตายต่อไปเฉยเฉยกล้าตายนี้เพื่อมาทาลายความกลัวตายพอความกลัวตายหายไปความกล้าตายที่เป็น เป็นยาที่มาป้องกันมาทำลายความกลัวตายก็หยุดไปเหมือนกินยาเวลาไม่สบายก็กินยาพอหายจากโรคภยัยแค้เจ็บ ก, ก็หยุดกินคำถามต่อไปจากคุณตุ๊กพระรักษพระรามทำได้อย่างไรคะไม่กินไม่นอนเป็นเวลาสิบสี่ปีอ๋อนี่เป็นเรื่องนิยายต้องไปถามคนแต่งก็ดู <laughs> คำถามนามเกณยนเนี่ยพระรักพระแล้เนี่ยนามเกณฑนเนี่ยนามเกณฑนมันก็เป็นเรื่องนิยาย เ, ยเหมือนละครอย่างการมาถามเราเนี่ยคนครบางทีก็ซื้อบ้างอะไรบ้างมาถามเรามันเรื่องนิคเรื่องนิยายคนแต่งคนเขียนมันจะเขียนยังไงแต่งไงก็ได้มันไม่ใช่เป็นความจริงค่ะ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณปอรกราบนรัมสถารพระอาจารย์ เคยได้ยินมาว่าการสวดมนต์ถือว่าเป็นการทําสมาธิอย่างหนึ่งกระผมอยากทราบว่าขณะสวดมนต์เราควรกําหนดจิตไว้ที่ใดจึงจะได้อ น, นิสงส์สูงสุดครับก็อยู่ที่การสวดจะไปอยู่ที่ไหนให้สวดไปอย่าสวดแต่ปากแล้วใจก็ไปอีกที่หนึ่งบางทีสวดไปคิดถึงแฟนบ้างคิดถึงลูกบ้างคิดถึงงานบ้างอย่างนี้ผิดต้องสวดแล้วก็คิดอยู่กับบทที่เรากําลังสวด ว่าสวดไปถึงไหนแล้วกําลังสวดอะไรอยู่ให้อยู่กับการสวดอย่างเดียวใจมันก็จะนิ่งแต่มไม่สงบร้อยเปอร์เซนต์ถ้าอยากจะให้มันสงบมากกว่า น, นั้นพอรู้สึกว่ามีกําลังพอที่จะดูลมได้ก็หยุดสวดแล้วก็ดูลมต่อไปคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามมีสองคำถามนะครับอาหารที่เหลือจากการฉันแล้วและผลไม้รวมถึงน้ําดื่ม ที่มีผู้นำมาบริจาคให้กับวัดแล้วทางผู้ที่ดูแลวัดหรือแม่ชีมีสิทธิ์ที่จะมอบหรือยกของเหล่านั้นให้กับผู้อื่นได้หรือไม่เจ้าคะผิดศีลหรือไม่เจ้าคะา อ, อ๋อไม่มีแม่ชีไม่มีสิทธิ์คนญาติโยมคารวละวลูกศิษย์วัดไม่มีสิทธิ์เพียงแต่ได้รับมอบหมายจากพระอีกทีหนึง่งคือโดยปกติอาหารที่พระได้มาจากบญฑบาท พอท่านแบ่งกันของท่านเรียบร้อยแล้วส่วนเกินที่เหลือนี้ท่านก็ให้เอาไปแจกกันเอาไปแบ่งกันเบื้องต้นก็แจกญาติโยมที่มาทําบุญมาร่วมทําบุญคือเหมือนกับปเป็นการเลี้ยงรับรองญาติโยมที่มาทําบุญมีมากมีน้อยก็ให้ไปวางไว้ในที่เหมาะสมแล้วถึงเวลาก็เชิญญาติโยมให้มาร่วมรับประทานอาหารกัน ส่วนถ้ายังมีเหลืออยู่ใครอยากจะเอากลับไปบ้านก็เอาไปได้อันนี้ไม่ได้เป็นการขโมยหรือเป็นการอะไรไม่ได้เป็นบาปแต่อย่างใดแต่ถ้าเอาก่อนเนี่ยเอาก่อนที่พระแบ่งเนี่ยพระไปบิณฑบาตกลมาพระยังไม่ได้จแบ่งก็เอาไปก่อนแล้วถ้าอย่างนี้บาปต้องให้ให้พระอนุญาตก่อนตามก็อนุญาตตามตามลําดับพระก็จะเก็บไว้ก่อน เราเก็บแล้วที่เหลือพระก็ว่าเอาไปเลยอยากจะได้อะไรก็เอาไปถ้าเราอยากได้ก็เอาไปแต่ไม่มีใครมีสิทธิ์ในวัดนอกจากพระแล้วก็ไม่ใช่พระรูปใดรูปหนึ่งเป็นความเห็นรวมกันของพระทั้งวัดว่านี่คือการการปฏิบัติของวัดนี้อันการกินที่เหลือนี้เราก็เมื่อเราไม่มีความจําเป็นจะต้องเก็บเอาไว้กินก็กิกนไม่ได้ก็เอามาเลี้ยงคนเลี้ยงแขกที่เข้ามาร่วมทําบุญกัน แล้วถ้ายังมีเหลืออยู่ถ้ามีคนยากคนจนจะมาขอรับส่วนนั้นไปที่เหลือก็ให้เขาไปคำถามที่สองครับหากมีผลไม้สุกหรือลูกไม้ป่าที่ทานได้แต่ถ้าเราเด็ดหรือหยิบทานจากต้นแบบนี้ผิดหรือบาปอย่างไรเจ้าค้าและสามารถแก้ไขได้อย่างไรก็มันเป็นต้นไม้ของเราหรือเปล่าถ้าเป็นของเราก็ไม่ผิด แต่ถ้าเป็นของคนอื่นก็ต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนเช่นเพื่อนบ้านมีมะม่วงกำลังออกลูกแล้วมันย้อยเข้ามาทางทางข้ามกำแพงมาที่ของเราเราก็เลยสอยเลยเด็ดนี่ว่าเราอ้างว่ามันอยู่ในเขตของเราแนละ้วอันนี้มันก็ยังไม่ใช่นะมันเป็นต้นมันยังอยู่ที่บ้านเขาอยู่ก็ต้องไปขอเจ้าของบ้านก่อนว่า ขอมาม่วงได้ไหมมาม่วงที่มันข้ามาอยู่ที่ข้ามาอยู่ที่บ้านเรานี่ถ้ามันหล่นตกลงมาขอเอาไปใช้เอาไปกินได้ไหมต้องขออนุญาตเขาก่อนเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราการเอาของของผู้ที่เขาไม่อนุญาตให้เขาเรียกว่าเป็นการขโมยคําถามต่อไปจากคุณพีโกกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ขอวิธีทาให้ใจแข็งเมื่อเจอความอยากเข้ามาทดสอบครับก็ต้องฝึกสติให้มากๆแล้วก็ใช้ปัญญาว่าของที่เราอยากได้มันไม่เที่ยมได้มาแล้วเดี๋ยวเดียวก็หมดความหมายไปแล้วได้แล้วก็เดี๋ยวก็หมดถ้าเป็นของกินกินแล้วก็หมดหมดแล้วก็อยากกินใหม่อยากได้ใหม่ถ้ายังคิดไม่ได้ก็หยุดคิดก่อนพุโทโธพุโทโธหยุดความอยากก่อน ใช้สติหยุดความอยากก่อนพออยากจะได้อะไรแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจนกว่าความคิดความอยากนั่นจะหายไปคำถามต่อไปจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วการเห็นไตรลักษณ์กับเห็นอริยสัจสี่สัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเราต้องเห็นทั้งสองอย่างในใจจริงๆจึงจะหลุดพ้นเป็นพระอริยะในแต่ละขั้นหรือไม่คะหรือต้องเห็นธรรมอื่นด้วย มันเป็นเหมือนห่วงสองห่วงติดกันอยู่ไงใครเห็นห่วงกุญแจไหมบางนะที่เรามีห่วงกลมๆเราเอามามาเอามาน้อยติดกันอตายลักกับอริยาสัจสี่มันติดกันมันมีทุกข์เป็นตัวเชื่อมตายรักก็มีทุกข์อริยาสัจสี่ก็มีทุกข์อย่างแต่ในตายรักไม่ได้บอกว่าทุกข์เกิดจากอะไรระดับได้อย่างไร ในอริยสัจสีเป็นตัวบอกอีกทีว่าทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากจะดับความทุกข์ได้ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกข์เห็นอนิจจังทุกข์ขังอนัตตาเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันมันต้องเห็นครบทั้งหมดเห็นทั้งอนิจจังเห็นทั้งทุกข์ขังเห็นทั้งอนัตตาเห็นทั้งเหตุของการทำให้เกิดทุกข์และเห็นเหตุที่จะทาให้ความทุกข์ดับไปคาถามต่อไปจากคุณมีมี่ เราจะใช้ปัญญากำจัดความโกรธที่เกิดจากการถูกทำร้ายได้อย่างไรครับก็อย่าไปอยากให้เขาไม่ทำร้ายเราสยหรืออย่าไปอยากเอาโทษเขาเมื่อเขาทำร้ายแล้วก็ถือว่าทำบุญไปถ้ามันก็ผ่านไปแล้วไม่อยากไปถือโทษกับเขาความโกรธมันก็จะหายไปถ้าอยากจะล้างแค้นอยากจะลงโทษเขามันก็จะโกรธ จะหายโกรธก็ตอนเมื่อได้ได้จับก็ามาลงโทษแล้วคำถามต่อไปจากคุณดิษยากราบเรียนถามพระอาจารย์เวลาที่เราตั้งใจทำงานมักจะคาดหวังอยากให้งานออกมาดีถึงมีกำลังใจในการทำงานแต่ทางพุทธบอกให้เราปล่อยวางอย่าไปคาดหวัง เราจะต้องวางใจให้ถูกต้องอย่างไรในการทำงานให้สำเร็จเจ้าคะวางใจไว้ที่เหตุอยู่ที่การทำงานของเราทำให้ถูกทำให้ดีทำให้เต็มที่ส่วนผลมันจะเป็นอย่างไรนี้มันเป็นมันตามมาจากเหตุถ้ามันไม่ได้เต็มที่ก็แสดงว่าเหตุเราไม่เต็มที่ถ้ามันไม่ดีก็แสดงว่าเหตุเราไม่ดีผลมันไม่ได้เป็นตัวกาหนดตัวที่จะกาหนดคือเหตุคือการกระทาของเรา แค่ให้เรามาดูที่การกระทําของเราทำไมเด็กคนเด็กคนนี้ทํำไมเขาเรียนได้สี่จุดนไปถามก็ว่าเขาทำยังไงเขาดูหนังสือทุกวันเขาไม่ดูละครเขาไม่เที่ยวเขาไม่เล่นไม่เล่นเกมถ้าเราเล่นเกมเราดูละครเราคะแนนเราไม่สี่จุดจะทํำยังไงมันเหตุมันไม่เหมือนกันเฉะนั้นผลมันจะไปหวงังไม่หวงังมันไม่เป็นปัญหาแล้วมันจะทําให้เราเครียดไปเปล่าๆเพราะ ผลมันไม่ได้เกิดจากความหวังของเราผลมันเกิดจากเหตุคือการกระทำของเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าผลดีเกิดจากเหตุดีรู้ไหมเหตุดีเป็นอย่างไรก็สร้างเหตุดีไปผลเกิดได้เพราะการกระทำที่ถูกต้องก็ต้องไปดูว่าการกระทำที่ถูกต้องเป็นอย่างไรต้องดูที่เหตุทุ่มเทไปที่เหตุอย่าไปสนใจที่ผล เพราะความหวังมันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้ผลผลเกิดขึ้นการกระทาต่างหากเป็นตัวที่ทำให้ผลเกิดขึ้นคำถามต่อไปจากคุณจินตนากราเปลียนถามพระอาจารย์ค่ะการที่เราเดินไปด้วยสวดมนต์ด้วยทำสมาธิด้วยแต่เราไม่ได้อุทิศบุญให้ใครเขาจะได้ไหมคะไม่ได้หรอกเพราะอย่าง บุญที่เราทำยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกผลเป็นการสร้างบุญอยู่การเดินสวดมนต์การมีสตินี่การนั่งสมาธินี้จิตยังไม่สงบยังไม่ไม่อุทิศบุญนี้แล้วบุญแบบนี้เขาไม่อุทิศกันเขาอุทิศบุญที่เกิดจากการทำทานเท่านั้น ถ้าอยากจะอุทิศให้คนตายก็ต้องไปใส่บาตต้องบอยจากเงินให้คนนั้นคนนี้อยากขี้เหนียวพวกที่ชอบบอริจากบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธินี่เป็นพวกขี้เหนียวเสียดายเงินใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้บุญเพราะยังไม่เกิดผลยังไม่เกิดแล้วเกิดก็เป็นบุญที่เขารับไม่ได้เขารับได้แต่บุญที่เกิดจากการทําทาน กันได้อยากจะบริจาคอยากจะอุทิศบุญให้คนตายให้บริจาคเงินบริจาคข้าวของเงินทองแล้วก็จะสามารถแบ่งบุญอันนี้ไปให้เขาได้คำถามหมดแล้วครับวมดแล้วนะอะบุญมันมีหลายระดับบุญที่เกิดจากการรักษาศีลภาวานานี่เป็นบุญสําหรับคนปฏิบัติเองไม่ได้เป็นบุญที่เอาไปแบ่งให้คนตายบุญที่จะแบ่งให้คนตายนี่ เขาให้ทำทานเพราะมันง่ายมันได้ร้อยเอร์เซ็นตได้ทันทีได้แน่นอนแต่บุญที่เกิดจากการรักษาศีลไม่รู้เมื่อไหร่จะได้มั น, นเดี๋ยวทำผิดศีลมันก็ขาดแล้วนั่งสมาธิดี๋ยวฟุ้งสร้างขึ้นมาไม่สงบมันก็ไม่ได้บุญนะฉะนั้นคนรอรับบุญก็คอแห้งปากแห้งตายแต่อยากจะให้คนรอรับบุญได้ทันทีก็ใส่บาตรไปเลยบริาจาคเงินให้ปอต็งก็ได้ให้โรงเรียนก็ได้ พอทำปุ๊บนี่ใจมันเกิดบุญขึ้นมาเลยส่งไปได้ทันทีเลยมีคำถามเข้ามาหรือเปล่า ด, ดีช่วงนี้ก็คิดว่าจะได้ เ, เลิกเรียนเร็วหน่อยเลิกสอนเร็วหน่อยมีใครอยากจระถามอะไรอีกไหมวันที่นี่ก็กลับกันไปหมดแล้วเนี่ยเหลือกันไม่กี่คนคงจะรู้กันมากแล้วได้ยินได้ฟังกันมาทุกวันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา